อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบััดคือ919 1. ภิกษณีให้แก่มารดาบิดา 2. ภพิกษณีให้เป็นของยืม 3. ภพิกษณีวิกชจริต 4. ภพิกษณีต้นบัญญัตสิกขาบทที่8จบ